บรรดาตนพระวิสุทธิ์สุขอนทั้งหลายและบรรดาท่านระโยโคาวจาจรทั้งหลายบัดนี้เวลาที่จะเจริญพระกาารรมฐานใกล้เข้ามาแล้วและเวลานี้เป็นเวลาที่บรรดาท่านทั้งหลายจะเพึงได้รับฟังประวัติของบุคคลตัวอย่างซึ่งมีมาในพระธรรมบทโคตกณิกาย โดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของบริวัตหรือว่าตามพระบาลีที่บอกคระฤวัตตาเทระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงปรารดถึงเรื่องที่แล้วมาได้อ่านได้ผ่านมาว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สเสด็จไปพร้อมด้วยพิสุส่งห้าร้อยรูปเพื่อเยี่ยมพระฤวัต ที่ป่าตะเกียนหรือว่าป่าตะแกแต่ว่าในขณะที่ไปพริวัดได้ดินมิตรสถานที่ต่างๆเริ่มหนักของฤทธิ์ใความจริงท่านเป็นเด็กอายุเจ็ดปีแล้วก็ได้รับฟังคำสั่งสอนขอบันดาสาวกคองค์สมเด็จปชินวรวัดที่ใกล้ๆบ้านของท่านต่ความจริงคราวนั้น ก็จะไม่ทราบพระนั้นชื่อว่าอะไรแต่ว่าในวัดนั้นท่านมีพระอาหารหันต์ทั้งวัดท่านมียามสอนวิธีลัตแบบย่อให้แก่สมนเณนเรวัตะในที่สุดท่านฟังกรรมฐ า, านย่อตั้งแต่ต้นจนถึงอาหารหัตผลท่านเข้าไปในปา่าฝึกผลจิตขอตนด้วยตนเอง ในที่สุดก็ได้บรรลุอารหัตผลพร้อมไว้วยเปรีสัมพิทายานความจริงปฏิปทานนี้เมื่อรับฟังแล้วก็คงอย่าจงอย่าฟังแต่เรื่องความดีที่ท่านผู้ใดทำแล้วจงลอกแบบความดีนั้นมาปฏิบัติจริงจะมีผลเพราะว่าพวกเราไม่ใช่องค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงจะได้ทำอะไรให้สำเร็จได้โดยตนเองโดยไม่มีใครแนะนำไม่มีแบบไม่มีแผนพวกเราทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าสาวกคือรับฟังคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลอกแบบลอกแผนเอาแบบเอาแผนที่ท่านปฏิบัติดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติตามจึงจะมีผลฉะนั้นสำหรับพระในวัดจัดว่าเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระทศผล มีปฏิเวทาคนที่พวกเราเราพุทธบริษัทจะเพิ่งปฏิบัติตามดูตัวอย่างท่านรับฟังคำสอนเพียงคำเดียวเพียงครั้งเดียวท่านก็นำไปฝึกฝนตนเองพวกเราฟังกันวันันสามสี่ครั้งและบางทีก็มากกว่านั้น ถ้าหากว่าเราจะพยายามฝึกฝนตนเองก็ดูวันว่าจะมีกำไรดีกว่าพระรยวัตตะเป็นไหนๆวันนี้ขอต่อเรื่องเมื่อวานนี้เอ็งกล่าวว่าลำดับนั้นนางวิสาขาจึงเลยถามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปที่บ้านของนางเพราะว่าปุภารามนี่นางวิสาขาทา่านถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากจะสร้างถวายแล้วก็รับภาระทุกอย่างในการที่จะเลี้ยงดูพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นอนุวาเวลาตอนที่ก่อนเที่ยงก็ดีหลังเที่ยงก็ดีนาวิสาขาก็ดีถ้านาดวินิกาเศรษฐีก็ดีเวลาที่ไปวัดจะไปมือเปล่านั้นไม่มีราชาเช้าก่อนเที่ยง ก็นําพัฏฐาหารไปถวายพระสงฆ์เวลาบ่ายก็นําเพสัตว์ที่บรรดาพระสงฆ์ทั้นหลายจะพึงฉันได้ไปถไวายมีเนยใสยในคข้นน้ํามันน้ํำพึ่งน้ําอ้อยเป็นต้นเพราะว่านามเป็นพระโสดาบันนี่จริยาของพระโสดาบันท่านเป็นอย่างนี้มีอารมณ์ละมีอารมณ์ไม่ตาอยู่ตลอดเวลา เรองกล่าวว่ามาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายไปฉันของเคี้ยวของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นนามวิสาขาก็ได้ถามบรรดาพิสุทิ์สงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระคุณเจ้าโคจรเรือท่านทั้งหลายได้ไปที่อยู่ของบริวัติเทระกระปรศรีดาหรือเปล่ามีความจริงสมันเล น, นอายุเจ็ดปี แต่ถ้าว่าท่านได้ไรบรรลุอรหัตผลก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นพระเต็มตัวไม่ต้องโสดญาติกรรมเป็นพระเต็มที่แล้วก็เป็นพระเทระคาว่าเทระนี่แปลว่าพระผู้ใหญ่ทรง ค, คุณธรรมเป็นพิเศษข้ารหันนี่เขายกย่องกันโดยความจริงไม่ยกย่องพระอาหันต์ไม่รู้กขาจะไปยกย่องใครเหมือนกันถ้าจะยกย่องพระเทวทัตก็ตาม บรรดาพิสุแก่สองท่านก็ตอบกั น, นวิสาขาวยโยมาแตมาไปมาแล้วไปด้วยกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากนวิสาสนิกถามว่าพระคุณจเจ้าพูเจริญก็สถานที่อยู่เขาวะเรวตัตเสระนั่นมีเป็นที่รื่นรมน่าเป็นอยู่เป็นสุขสบายดีหรือบรรดาลูกตาแก่สององ ยังได้บอกกับบรรณาวิสาขาว่าที่อยู่ของท่านบริวัตะนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจะมีแต่ที่ไหนพูดภาษาได้ไทยก็หาอะไรกันแม่หรืออะไรกันโยมโยมไอสถานที่เรื่องน่ารื่นรมของพระทะเวัดนั้นมันมันไม่มีรอกก็ว่าอย่างนั้นที่เต่านั้นมันเต็มปัตถุไม้เสีอแกเป็นเต็มวัตถฝากด้วยน้ํา มันก็ท่านบอกว่าเหมือนเหมือนกับที่อยู่ของเปรดมันรกกรงรังบริปุทธ์ได้น้ำเป็นป่ารกชัดพระเรวัตก็อยู่คนเดียวถ้ามองดูสภาพกันจริงๆแล้วก็พระเรวตัตจะมีสภาพเหมือนเปรดที่อยู่ในป่านี่ฟังฟังลุงตาแก่แก็ว่าไม่แกว่าอย่างนี้นะแค่นั้นในเวลานั้น ก็ปรากฏว่ามีพระพิสุทธิหนุ่มสองลูปแล้วก็พาพวกเพื่อนๆมากันมารับข้าวต้มที่บ้านนางวิสาขาเมื่อ น, นางวิสาขาถวายข้าวต้มและของเคี้ยวของฉันตามสมควรแล้วยิงเลยถามบรรดาพิสุทหนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกา สถานที่ที่พออะระฤๅวัดอยู่เนี่ยจะพัฒ น, นาให้มันจบมันสิ้นแม่มันแสนจะยากเพราะว่าที่อยู่คนท่านถ้าจะเปรียบเทียบกันกับเทวสภาที่ที่ว่าสุธรรมมาก็เห็นว่าเปรียบเทียบกันไม่ไหวมันสวยก็เทวสภาสกแม่นี่ท่านรู้จักเทวสภาไหมล่ะ เทวสภาที่นางสุธรรมา ส, สร้างไว้เอาช่อฟ้าไปชาบสร้างสวมที่บรรดาท่าส ก, กะสร้างสลากันไว้ไปปรากฏบนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกเป็นที่ประชุมของเทวดาที่นั่นจัดว่าเป็นสถานที่มีความสวยสดพรงามเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าว่าบรรดาพระหนุ่มต้องเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ กลับพูดกับนามวิสาขาว่าที่พระมเทระที่อยู่นั่นมันสวยยิ่งกว่าเทวสภาไปไหนๆใครคล้าก็คนแต่งขครื่องในริ์เท่าไ่อย่างนั้นเมื่อเวลานั้นทมมหาบาสิกาวิสาขาได้คิดว่าบรรดาพวกพิสุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวไปอย่างหนึ่งคือรูตาแก่สององค์และจ่พูดอย่างหนึ่ง เจ้พูดบอกว่าที่อยู่ของบริ ว, วัตินั่นเหมือนกับสถานที่เปรดเป็นที่เปรดอยู่รกรุงรังสำหรับพิสุนุ่นพวกนี้ก็กล่าวอีกอย่างหนึ่งพูดว่าในสถานนี้เป็นที่รื่นรมมีความสวยสดงงามดีกว่าเทวสภานอยยังคิดนว่าพิสุโวกที่มาครั้งแรกคงจะลืมอะไรไว้แน่ แล้วก็จะกลับไปเวลาที่พระเถระครลายฤติตกเสร็จแล้วนี่นาวิสาขามีความเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นทศโสดาบันด้วยสัมผัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาส่วนลิสุพูกนี้จะไปในเวลาที่พระเถระกำลังสแสดงฤิธิตรมิตระไรไว้เปนที่สวยสดสดงามนางก็ไม่ได้โต้ตอบว่ายัางไง เมื่อฟังพระดั้งสองฝ่ายพูดนางก็ไม่โต้อตอบไม่โต้เถียงไม่ได้สแสดงความเห็นถึ้นหน้าทั้งีเพราะว่าอาศัยที่นางเป็นบัณฑิตคำว่าบัณฑิตก็แปล ว, ว่าผูร้รู้คนที่ทรงความเป็นประสนดาบันก็เป็นบัณฑิตแล้วนั่นนางจึงคิดว่าเราจะทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงสเสด็จมา แล้วก็ในเวลาต่อมาไม่ช้านักเวลาครู่เดียวก็ปรากฏว่าบรรดาพิสุบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายแวดล้อมองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาสเสด็จมาสู่เรือนของนางวิสาขาเมื่อถึงที่นั่นองค์สมเด็จพระพุทธกวนก็ทรงเสด็จประทับนั่งเหนืออัชนะที่เขาตกแต่งไว้แล้ว นางวิสาขาจึงถวายของในองค์สมเด็จพระประทีรแก้วเปนพร้อมพระบัรดาพระวิสุทธสุทั้งหลายด้วยความเคารพ <c oughs> ในเวลาที่พระพุทธเจ้าสันเสร็จบรรดาพระสงฆ์ฉันเสร็จนี่ท่านฟังแล้วก็ดูมัญญาตของคนที่เขาเป็นผู้ดีหรือว่าคนที่เ็เป็นบัณฑิตยอย่างนางวิสาขา ความจริงนาวิสาขามีกิจที่จะถามพระพุ้ไเจา้าแต่ก็ไม่ถามเวลาที่พระผู้ไดเจ้าฉันหรือ ว, ว่าไม่ถามที่เวลาที่พระฉันสำหรับชาวบ้านก็เนี่ยจะมาโดนบ่อยดีไม่ดีกำลังริงข้าวแกบอกว่ากรรมาระกกไม่พุกมาร้อนแกจะใช้เวลานั้นนะั่นแหละนี่เราก็ไม่โทษว่าท่านผู้นั้นเสียแต่เราก็คิดว่าท่านลืมภาระไป ว่าพระกําลังฉันข้าวนะ่ะตามพระวินัยเขห้ามพระคุยเวลาฉันข้าวพูดกันไปบ้างคุยกันไปบ้า ง, งสแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระพราะว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยเวลาฉันข้าวนี่เขาไม่คุยกันแล้วก็ไม่อวดดีไม่อวดเด่นไม่อวดความมิเศษไม่ถ่อมตัวไม่อะไรทั้งหมด เวลาฉันข้าวก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฉันพร้อมกันไปนั่นก็พิจรารณาเป็น่ะหาเรยปฏิกโกฏสัญญาไม่เป็นเรื่องของพระถ้าเวลคุยกันในเวลากินข้าวเขาไม่ไดกพระเขาเรียกคนเมาก็เ่อคนเมาในที่นี้เขาเริ่มคิดว่าจะพูดไปทีว่าคนที่มีวิสัยนรกติดอยู่ในใจหรือว่าสภาพของใจเป็นสัตว์นรก พระประเภทนั้นและนักบวชประเภทนั้นจึงจะคุยกันในเวลากินข้าวและฉันข้าวเมื่นแต่ว่ามีกิจที่มีความจําเป็นจริ ง, รงๆอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่หากเมื่อเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จพัฒนกิจแล้วนางจึงเข้าไปแล้วไหวบางคมองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเรืงกราบทูลถามเฉพาะว่า อันเตยพระกวาฆ้าใโองสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะอนดาลิสิสุที่ไปกับพระองค์บางพวกก็กล่าวว่าที่อยู่ของบริวัติเทระเป็นป่ารกชัดไปด้ไม้สแกบางพวกก็กล่าวว่าเป็นที่น่าสะเป็นสถานที่น่ารื่นรม ที่อยู่เขาบริวัติเถระตะเบนะเขาที่อยู่เขาบริเถระนั่นเป็นอย่างไรแน่พระพุทธเดียว่ะในลำดับนั้นองสส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสนับคํานั้นแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจะได้มีพระพุทธดีกาแต่ว่าอุปาสิกะดูก่อนอมมาสิกาเสื้อถานที่ที่นั่นจะเป็นบ้านคนดี หรือว่าจะเป็นป่าเกาดีในเมื่อพระหันทั้งหลายอยู่นาที่ใดในที่นั้นก็จัดว่าเป็นสถานที่รื่นรมทั้งหมดทั้งนี้ก็ว่าว่าพ ร, ระหันปรารกเฉพาะพระธรรมวินัยจะอยู่ในที่ไหนก็ตามพระระหันทั้งหลายย่อมยังสถานที่นั้นให้เป็นที่น่ารื่นรมเพราะว่ามีอารมณ์อยู่เปน็นสุข องเมื่อทรตัดอย่างนี้แล้วอง์สมเด็จพระบพิตรแก้วจิเนทรงตรัสเป็นพระพุทธภาสิว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นบาปป่าก็ตามจะเป็นทิ่ลุ่มก็ตามจะเป็นทินดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูไม่ประเทศที่น่ารื่นรมทั้งหมดนี่ขอบรรดาท่านหลายฟังแล้วก็จงคิด ว่าสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิท่ประกอบกิไดรทถ้าอยู่ที่ไหนก็มีได้วความสุขสบายจะอยู่มากโดยกันสักเพียงใดก็ตามทีเรื่องร้ายย่อมไม่ปรากฏถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้สึกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบ ร, รมสุคตใจความข้อ น, นี้พระตระท้าาจารย์แก้ไว้ว่าบรรดาพระอราหันต์ทั้งหลาย ย่อมไม่ได้กายยื่วเวกในบ้านก็จริงทีห่หมายความว่าถ้าพระราหนังหลายอยู่ในที่ปวงชนเขามีคนมากแต่ว่าท่านหนังหลายไม่ได้กายยื่วเวกหมายความว่ากายนี่มันไม่สงับจ้ยินเสียง จ, จาแจกอจอแจอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกันนั้นกนดีพระราหนังหลายก็ย่อมได้จิตวิเวกแน่นอน คำว่าจิตวิเวกหมายความว่าก้าวหลันทั้งหลายถ้ามีจิตสงบกได้กิเลสตลอดเวลาลเรื่องความยุ่งภายนอกไม่มีความสําคัญจิตใจของท่านไม่ยุ่งไปด้วยนี่ฟังแล้วบรรดาท่านพิ ส, นนน ส, สุสมณีทั้งหลายและบรรดาอมบาลสุคุบาลสิกาทั้งหลายฟังแล้วจงจําจําและจงคิดคิดแล้วปฏิบัติตามแล้วก็ทําให้ได้ด้วย ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ทด้กันมากก็ตามน้อยก็ตามจงอยู่ด้วยความเป็นสุขตามที่ก็บอกว่าถ้ารักกันก็จงเกรงใจกันรักนั้นจริงจะถาวอ น, นี่เป็นพาวสิทธุโบราณที่พระพวกเราก็อยู่ก็องค์นั้นก็ไม่ได้อยู่องค์นี้ไม่ได้อัตยาสายไม่ถูกกันถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีเมื่อไหรจงเปื่องผ้ากาวสาวพัดออกจากกายเสีย ว่าการแสดงการเช่นนั้นเป็นนั้นว่าเราไม่ได้เคารพในพระธรรมวินัยแล้วยังทําตนเป็นอันตรายอยู่นี่ต่อไปพระเถรคาถาจายแกว่าเพราะอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าอารมณ์ของบรรดาพระราหลายมีประมาเหมือนกับของทิพย่อมไม่อาจที่จะทําจิต ข, ของพระราหลายเหล่านั้นให้หวั่นไหวได้เพราะเหตุเช่นนั้น พระรหันท่านจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดพระรหันย่อมมีอารมณ์เป็นสุขตลอดเวลาเป็นอันวุ瓦มา อ, อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศเพียงยอ่อยยอโดยใจความในพุทธภาษิตว่าพระรหันทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามจะเป็นป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่งก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตาม ที่นั้นเป็นภูมิประเทศสถานที่น่ารื่นรมย์ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้เวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นมากก็ได้บรรลุอริยผลนั้งหลายมีประโศตาปฏิผลเป็นตน้นเมื่ฟังแล้วก็ช่วยกันคิดในครั้งดาปิสุสมณเณรทั้งหลายเสมัยนั้นเนี่ยก็ฟังคําสอนกันแต่เพียงยอ่อ ยังหลวงอพระเจ้าบอกว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นที่บ้านก็ตามเป็นที่ป่าก็ตามเป็นที่ลุ่มก็ตามเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่าเรื่นรมเขาฟังกันเพียงเท่านี้อย่างเร็วที่สุดเมื่อจบแล้วจุปธรรมเทศนาอย่างต่ำที่สุดชนเป็นมากได้บรรลุพระโสดาปิผล แล้วก็มีส่วนมากที่บรรลุถึงอรหัตผลท่านบรรลุกันได้ยังไงเพราะว่าเวลาท่านฟังท่านก็คิดคิดว่าทําไมแต่พระอรหันต์อยู่ในป่าแล้วอยู่ในบ้านสถานที่เราชัดไป็นสถานที่น่าเรียนรู้ก็เพราะว่าท่านมีอารมณ์ไม่เกาะอยู่ในภูไม่ประเทศและก็ไม่เกาะอยู่ในร่างกายไม่เกาะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเรา ถือว่าการทุกอย่างในโลกมันมีความเสื่อมมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวไปในที่สดุดมันเป็นของธรรมดาโดยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของธรรมดาเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่น่าเรื่นรมไม่มีอะไรพิจิต่าขัดเข้าใจแล้ฟังไว้แล้วก็จําไว้แล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยนะแล้วความจริงแบบฉบับที่เรามีมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ทั้งเยอะ แต่ว่าเราทำกันได้หรือไม่้วก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าเฉยๆนะเขาว่ากันไปก็หมายว่าถ้าทําไม่ได้แล้ า, าดีกันไม่ได้ยังเข้ากันไม่ได้ก็สแสดงว่าอยู่ที่นี่กันไม่ได้ก็แล้วกันที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจไล่ใครคนดีอยากได้คนชั่วอยากให้ไปแต่คนชั่วจะรู้ว่าชั่วจริงๆไม่ไปก็จะใสาให้ไปเหมือนกันเพราะที่ ในเขตนี้ก็ลงทุนกันเป็นสิบล้านเขาไม่ต้องการให้คนชั่วอยู่ให้คนดีอยู่เมื่อคุยกันต่อไปในเรื่องของบริวัติวันนี้ก็ไม่จบบรโดอีกสมัยหนึ่งบรรดาพิสุทั้งหลายคําว่าสมัยหนึ่งก็เวลาต่อมานันเองคือไม่ใช่เวลาเดี๋ยวนั้นหลังจะฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพิสุทั้งหลายนั่งสั่งสทนท่นายกนว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาราเหตุอะไรหนอะขารับบาลีบ่าอะไรหนอแหละพ ร, ระศีวลีเถระจริงเป็นผู้อยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี่หวยมันไม่ออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดกนะ <c oughs> แล้วก็เป็นเพราะกรรมอะไรพระศรีวลีจริงได้ไม่ในนรก เพราะกรรมอะไรจนนี่ถึงความเป็นผู้เลิศโดยหลักและมียศเลิศอย่างนั้นก็หมายความว่าพระศิวลีเนี่ยเวลาจะออกจากท้องแม่เวลาแม่ตั้งท้องอยู่ในท้องถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วก่อนจากนั้นที่พระศิวรลีจะมานะ่ะต้ากันนอนในนรกสิ่งกาลนาน แล้วก็มาเกิดขึ้นแล้วมาเป็นพระคราวไปป่าคราวนี้มีลาบมากเทวดาปลารบพระศิวลีแต่ผู้เดียวอการทําบุญคราวนี้เราต้องการถวายหลวงปู่ศิวลีหลวงพ่อศิวลีของเราเท่านั้น <c oughs> แม้แต่ อ, ง, อ ง, งค์สมเด็จพระสูงทรคือพระพุทธเจ้าไปด้วยเทวดาก็ไม่ได้ปลารบความจริงพระพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นคนที่มีกิเลส เห็นใครเข้ามาบูชาลูกน้องมากกว่าตัวที่หน้าโกรลูกน้องจะลําบากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพวกพี่แกจะอิจฉาเอาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างนั้นพระองค์ทรงยกย่องถ้ารูกสิทธิ์องค์ไหนดีก็ยกย่องว่าเป็นพระดีเป็นพระควรแก่การบูชาในลาดับนั้นเวลาที่บรรดาพิสุสธิ์สงฆ์หลายโดยคนหนา กำลังปรารกนัวพระศีวลีเป็นเพราะกรรมอะไรยังได้อยู่ในท้องแม่ทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นเพราะกรรมอะไรจรึงได้ลงไปในใ น, นรกสิ้นกาลนานเป็นเพราะกรรมอะไรเวลาที่เกิดมานี้จึงมีลาภมากจึงมียศใหญ่เป็นที่เคารพโคตรเทวดาทั้งหลาย ในขณะที่บรรดาพระสงฆ์นั้นหลายคุยกันอยู่นั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันมรมาสาดาสัมมาสัพสุพะเจ้าทรงเสดส็จประทับอยู่ในพระคันดกคูดีมาหาวิหารเ <c oughs> สมเด็จพระวิชิตามารฟังเสียงข้ามรนดาพระสงฆ์ด้วยที่ประโซตยานคือหูทิพย์คุยที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ได้ยิ น, นองค์สมเด็จพระมหามุนิ๊ใคล้ายจะเปลื้องความสงสัยข้ามรนดาพระสงฆ์ทั้งหลาย สมเด็จพจอมไตรยจรึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อสเสด็จมาถึงแล้วองค์สมเด็จพระบัณิตแก้วก็ตรทรงสเสด็จประทับอยู่ในคนส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงถามบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าพิเทวีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพวกเธอกล่าวอะไรกันพวก เ, เธอพูดอะไรกันเมื่อบรรดาภิกษุทั้งหลายแล้กล่าวลั้นกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้า กำลังปรารบเรื่องบุพกรรมของพระศรีวัลลีพระพุทธเดียวเัน่็มีความสงสัยว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศ า, ศาสดาทรงเสด็จไปเยี่ยมพระฤาวัตตะคราวนี้ปรากฏว่าพระศรีวัลลีแสดงบุญญาดีการเป็นที่เรื่มใสของบรรดาเทวดาทั้งหลาย ถ้าพระพุทธเจ้าท่านหลายเกิดสงสัยว่าทําไมพระสิว ล, ลีมีบุญขนาดนี้ยังได้ต้องอยู่ในท้องมันดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก่อนจะมาก็ได้ตกนรกเสียก่อนเมื่อมาเป็นคนแล้วก็มาบินบุญใหญ่มีลาภมากเป็นยศศักดิ์มากข่าพระพุทธเจ้าสงสัยเป็นอันว่าเมื่อบรรดาพระสงค์ท่านหลายกราบบูญดังนี้แล้ว องสมเด็จพระบัณิตแก้วก็ส่งพยากรบุคกรรมของาศิวลีว่าเหตุที่าสิวลีจะต้องอยู่ในท้องแม่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นต้นมาจากคำกรรมที่เป็นอกุศลอะไรแต่ด้วว่าบรรดาท่านพิสุทธสมณเณรนำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เราจะพูดกันมันก็หมดไปแล้วนี่เพราะเวลามันหมดสาหรับเรื่องนี้ก็ขอมดไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อที่นี้ไปก็จะนำมาเรื่องราวในมหาสติปัฏฐานาสูตรมาพูดกำบรรดาแทนพุทธบริษัทต่อไปตามสมควรพอสมควรกับเวลา